บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในหัวข้อของนิวรโปบดสุดท้ายคือวิจิกิจาได้แก่ความลังเลสงสัยที่แสดงออกมาในลักษณะแปดประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และทรงสอนในข้อต่อไปว่าวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้ด้วยประกาศนั้นซึ่งก็ได้แสดงมาแล้วว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในแต่ละหัวข้อนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่ไม่กระทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคาย คือไม่ได้ใช้ปัญญาพินิษพิจารณาเรื่องเหล่านั้นโดยเหตุผลอย่างมีกฎปิเก์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้ความลังเลสงสัยในเรื่องเหล่านั้นก็ต้องบังเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปและความสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วจะสามารถละได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นวิธีการละวิธีกิชานั้น ก็ได้แก่การปฏิบัติในธรรมนองที่ตรงกันข้ามคือใช้หลักของโยนิโสมนสิการได้แก่การทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบขายมีเหตุมีผลมีกฎเกณฑ์เป็นเครื่องกำหนดพินิตพิจารณาในเรื่องเหล่านั้นก็จะสามารถขจัดความลังเลสงสัยไปได้วิจิกิชาที่กล่าวมาแล้วนั้นคือความสงสัยในพระพุทธ เ, ธเจ้า ในประธรรมในพระสงฆ์และในตรายสิกขาสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงความสงสัยในเรื่องของอดีตเรื่องของอดีตนั้นเป็นความสงสัยที่ประรบความมีอยู่ของชีวิตในอดีตเช่นสงสัยว่าในอดีตเราเคยมีแล้วหรือไม่หรือว่าเราเคยยังไม่มีในอดีตการนานไกลนั้น เราเคยเป็นอะไรมาหรือไม่หรือว่าเรายังไม่ได้เคยเป็นอะไรมาแล้วถ้าเราเป็นเราได้เป็นอย่างไรและได้เป็นอะไรอีกต่อไปเป็นต้นซึ่งเมื่อกราวโดยสรุปก็คือความสงสัยในเรื่องความมีอยู่แห่งขันหรือแห่งชีวิตในอดีตของตนและของบุคคลอื่นในข้อนี้ถ้าหากว่าขาดหลักของโยนิสโโมนัสิการคือการ ทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายดังที่กราบมาแล้วความสงสัยก็จะต้องกัดกร่อนจิตใจของบุคคลอยู่ตลอดเวลาจัาบใดที่ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ศรัทธาในเรื่องนั้นๆจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อศรัทธาบังเกิดขึ้นไม่ได้การประพฤติปฏิบัติแม้แต่การเรียนรู้ก็จะไม่ก้าวหน้าสำหรับบุคคลนั้ น, น, น สำหรับในเรื่องนี้หลักโยนิโสมนสิการที่ควรใช้ประการแรกโดยอิงอาศายัยศรัทธาก็คือว่านึกถึงพระยานของพระพุเทธเจ้าในข้อที่ว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือพระพุเทธเจ้าทรงระลึกชาติก่อนๆของพระองค์ได้เป็นอันมากการที่พระองค์ทรงระลึกชาติก่อนได้นั้นก็แสดงให้เห็นว่า พระองค์ได้ผ่านพบชาติมาเป็นอันมากจึงมีชาติก่อนสําหรับเป็นเครื่องระลึกถ้าหากว่าไม่มีชาติก่อนเป็นเครื่องระลึกแล้วก็ไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาเกิดขึ้นได้ชีวิตของบุคคลอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะต้องผ่านพบชาติมาแล้วเป็นอันมากแต่ว่า ตนไม่ได้มีญาณเช่นนั้นเป็นเครื่องอย่างรู้จึงไม่รู้ว่าเคยเป็นอะไรมาหรือไม่หรือว่าเป็นอย่างไรเกิดจากชาตินั้นแล้วเป็นอะไรเป็นต้นความรู้ในลักษณะนี้แม้แต่พระพุทธเจา้าสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัจสรู้ก็มีความลังเลสงสัยเช่นเดียวกันแต่เมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรจนเกิดญาณเครื่องสัจสรู้ขึ้นมาแล้ว พระองค์ก็ทำลายความสงสัยในส่วนนี้ลงไปได้ประการต่อไปนั้นอาจจะมาตรวจสอบในความแตกต่างของคนทั้งหลายที่ตนประจักษ์ด้วยใจกันตนเองจะเห็นได้ว่าคนเรานั้นจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังความแตกต่างกันเหล่านั้น ซึ่งทางศาสนาได้แสดงไว้ว่ากรรมเป็นตัวแยกเป็นตัวแบ่งเป็นตัวจำแนกให้คนเลวและปณีเตแตกต่างกันคนเราแตกต่างกันทั้งในด้านรูปร่างทั้งในด้านอัตยาสายัยทั้งในด้านภูมิธรรมสติปัญญาทั้งในด้านที่เรียกว่าพรสวรรค์และในด้านอื่นๆอะไรเป็นตัวกำหนดความแตกต่างเหล่านั้นถ้าหากว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ผ่านการเกิดมาในภพชาติต่าง เราก็หาคำตอบไม่ได้แน่นอนจะต้องมีพบชาติซึ่งบุคคลได้ผ่านมาเป็นอันมากแล้วแต่ละพบแต่ละชาติของบุคคลเหล่านั้นก็ได้สร้างสมความดีบ้างความชั่วบ้างแตกต่างกันออกไปเมื่อเกิดมาในพบชาติหนึ่งพบชาติหนึ่งกรรมที่บุคคลกระทำไว้ในพบชาติก่อนๆและชาตินั้นๆก็มีส่วนในการบันดาลให้เกิดความแตกต่างกัน ในด้านต่างๆทีนี้ถ้าหากว่ายังปักใจลงไปในเรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยการพิจารณาตามนิยะแห่งพระพุทธพาสิตเป็นอันมากที่พระพุ้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าทรงแสดงเอาไว้เช่นทรงรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะการที่เราและเธอทั้งหลาย ไม่รู้ทั่วถึงจึ่งอริยศัสตร์ทั้ง4ประการนี้พวกเราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอนเนกนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าทรงรับรองยืนยันถึงภพชาติในอดีตของพระองค์และของภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นซึ่งแม้บุคคลในสมัยหลังและสมัยต่อๆไปก็จะตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน เมื่อบุคคลปลูกฝังความเชื่อให้เกิดขึ้นในส่วนนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติความดีในลักษณะต่างๆนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ไปอิงอาศัยบุคคลคือการยอมรับนับถือของบุคคลหรือจะต้องกระทำให้คนอื่นเขาเห็นเขายกย่องสรรเสริญจึงจะ ก, กระทำแต่เมื่อมองเห็นว่า คนเรามีกรรมเป็นของของตนแล้วกรรมจะเป็นสิ่งที่ติดตามตนไปในภพชาติต่างๆสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ตนตามสมควรแก่กรรมชินนี้แล้วบุคคลก็พร้อมที่จะกระทํากุศลแลกรรมมีประการต่างๆซึ่งสามารถติดตามตนไปได้และในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเกิดความศรัทธามั่นคงในเรื่องนี้ จนมองเห็นภายในสังสารวัตรที่เกิดขึ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นอุปมาว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นได้หมุนวนอยู่ในสังสารวัตรเหมือนกับท่อนไม้ที่บุคคลยนโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวก็เอาโคลนลงบางคราวก็เอปลายลงบางคราวก็เอาต ร, ร, รงกลางลงชีวิตในสังสารวัตรนั้น หาที่กำหนดหมายไม่ได้บางครั้งก็เกิดเป็นมนุษย์บางครั้งก็เกิดเป็นนาบายบางครั้งก็เกิดในสุกติบางครั้งก็เกิดในพรหมโลกแต่เนื่องจากยังอยู่ในวัฏฏะสงสารก็มีการหมุนวนกันไปตามอำนาจของกรรมเมื่อบุคคลได้อย่างปัญญาพิจารณาเห็นจนเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องนี้แล้วก็จะหนายในภพหนายในชาติหนายในสังสารวัฏ เป็นตัวการกระตุ้นจิตใจของบุคคลนั้นๆให้เกิดฉันทะอุตสาหะที่จะเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อทำลายสังสารวัติหรืออย่างน้อยที่สุดก็ตบแต่งสังสารวัติซึ่งตนจะต้องเกี่ยวข้องให้มีความประณีตจริงๆขึ้นไปเพื่อให้มีโอกาสใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานในทางพระพุทธศาสนา อันเป็นที่ทำลายเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปจากคันตสันดานของตนซึ่งเป็นการยุติภพยุติชาติเอาไว้ไม่มีการถืออุบัติในภพในชาติต่อไป<ม>เช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจา้าและพระอรหันต์ทั้งหลายความสงสัยประการต่อไปก็คือความสงสัยในปัจจุบันคือปรารภปัจจุบันเช่นแสดงออกมาว่า เรานี้เป็นใครเรานี้มาจากไหนเรามีอะไรเป็นต้นสแสดงออกมาเป็นการปรารตนถึงความมีอยู่ความเป็นอยู่และองค์ประกอบของความเป็นตนเป็นต้นความสงสัยในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นถ้าบางคราวเกิดขึ้นในลักษณะที่รุนแรงคนก็ไม่รู้จักตัวเองเป็นเหตุให้ไม่รู้จักฐานะของตัวเอง เมื่อไม่รู้จักฐานะของตัวเองก็นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติผิดไม่เหมาะไม่ควรแก่ฐานะและภาวะของตนเป็นต้นดังนั้นในเรื่องนี้ท่านจึงสอนให้ใช้หลักของโยนิโสมนัสิการคือการกระทาไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายในเบื้องต้นว่าคือยอมรับความจริงในสองส่วนส่วนที่เป็นสมมติสัจจะคือความจริงโดยสมมติที่เรียกการบัญญัติกัน โดยโล ก, กภาษาโล ก, กโวหารกำหนดหมายการว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มีชื่ออย่างนั้ น, ม, ออ น, นมีตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นเป็นต้นก็ยอมรับความมีความเป็นในส่วนนี้เอาไว้เพื่ออะไรเพื่อจะปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะนั้นๆข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามานะคือความถือตัวถือตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ในขั้นของธรรมะเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องทำลายออกไปแต่ว่าในขั้นของวิไนในขั้นของศีลธรรมในขั้นของโลกแล้วการสร้างความสำนึกให้เกิดขึ้นว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นต้นนั้นจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นท่านเรียกว่าสัญญา คือความกําหนดหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นเป็นภิกษุก็กําหนดหมายว่าเราเป็นสมณะอาการกริยาอันใดของสมณะก็จะต้องทำอาการกริยานั้นๆแม้ฐานะอย่างอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในขั้นของสมมติสัจจะบุคคลก็ต้องยอมรับความมีอยู่ของตัวของตนในลักษณะนี้ เพื่อปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะคือความเป็นที่ตนกำลังดำรงอยู่ในโอกาสนั้นนั้นตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของบุคคลเรานั้นเคลื่อนไหวไปตามฐานะที่ตนเป็นฐานะที่สมมติปัญญาติกันนั้นจึงไม่ใช่ของที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของคนว่าไปเกี่ยวข้องกับใครฐานะก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไป เช่นอยู่ที่บ้านก็อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมาถึงวัดก็เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนนไปไปถึงสถานที่ราชการก็จะมีตําแหน่งอย่างหนึ่งอีกเป็นต้นทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของบุคคลในชีวิตประจําวันการยอมรับถึงความเป็นของตุกของตนในจุดนั้นๆก็คือจะเกิดความสํานึก ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะที่ตนเป็นซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงบำเพ็ญข้อที่เรียกว่าพุทธถจริยาคือจริยาในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าหน้าที่อันใดของศาสดาของพระพุทธเจ้าที่จะพึงปฏิบัติต่อศาสนกของพระองค์ พระองค์ก็ประพฤติปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แต่ความจริงในขั้นของปรมัติ์นั้นบุคคลก็จะต้องยอมรับในแง่ความจริงระดับหนึ่งว่าความเป็นเราเป็นเขาหรือความเป็นคนเป็นสัตว์นั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการเกาะกลุ่มกันของขันธ์ธาตุอาญตนะเป็นต้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือรูป ก, กับนามหรือกายกับจิต เมื่อกายกับจิตยังรวมกันอยู่มีสัดส่วนถูกต้องสมบูรณ์ความเป็นคนเป็นสัตว์ก็มีการสมมติบัญญัติขึ้นมาได้แต่เมื่อกายกับจิตยแยกออกกันแล้วความเป็นคนเป็นสัตว์ที่เคยบัญญัติกันก็หายไปแม้ขันธ์ธาตุอาญตนะต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้ายังเกาะกลุ่มกันอยู่ก็สามารถสมมติบัญญัติกันได้ ในข้อนี้เป็นการยอมรับความจริงขั้นปรมาทหรือความจริงอย่างแท้จริงอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าเมื่อการรวบรวมการของทพสะสัมภาระทั้งหลายยังมีอยู่การสมมติปัญญาติว่าเรือนว่ารถว่าบ้านว่าคนก็ยังมีอยู่แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นสลายออกไปการสมมติว่ารถว่าเรือนว่าบ้านว่าคนก็อันตราอันตรานหายไป ซึ่งโดยหลักความจริงแล้วชีวิตนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกขไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุก์ไม่มีอะไรดับนี้ก็เป็นความจริงในระดับที่แท้จริงซึ่งบุคคลสามารถเห็นได้ด้วยวิปัสสนาปัญญาการพิจารณาเห็นได้ในส่วนนี้ มีผลในการที่จะถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนและความเป็นคนเป็นสัตว์ทั้งหลายเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจิตใจจะมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องนั้นๆจนก่อให้เกิดเป็นความทุกข์นาน า, นาประการขึ้นภายในจิตใจและความเห็นในลักษณะนี้ไม่ได้ผูกขาดว่าจะต้องเห็นต่อเมื่อได้ปฏิบัติสูงขึ้นไปแล้ว แต่ที่จริงแล้วแม้ในชีวิตประจําวันของบุคคลก็สามารถที่จะใช้ธรรมะในระดับนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ในเรื่องใดที่ควรยึดถือก็ยึดถือไว้โดยสมมติสัจจะในเรื่องใดเมื่อเหตุปัจจัยของความยึดถือไม่มีแล้วควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางเรื่องเหล่านั้นโดยความคิดในขั้นของปรมาาัตสัจจะการเคลื่อนไหวของจิต ให้สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ของบุคคลของสิ่งต่างๆที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยลักษณะนี้ย่อมมีส่วนอย่างสําคัญในการเสริมสร้างความสงบ ค, ความเยือกเย็นใจให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นๆข้อต่อไปคือความสงสัยในเรื่องอนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตคือหมายความว่าสงสัยหมดทั้งสองอย่างความสงสัยในลักษณะนี้ จะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับการใช้ปัญญาพิจารณาไปตามหลักเรื่องชีวิตของอดีตนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่แตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัยเรื่องชีวิตในอนาคตขั้นของสมมติสัจจะก็มีลักษณะอย่างนั้นความมีอยู่แห่งชีวิตในอนาคตจะมีหรือไม่มีนั้นก็เกี่ยวข้องอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าหากว่าเหตุปัจจัยยังมีอยู่ ชีวิตในอนาคตก็ยังจะต้องมีอยู่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการไปทั้งตัวแต่ว่ามีองค์ประกอบบางอย่างซึ่งทำหน้าที่ถือปฏิสนธิในพบในชาติต่างๆตามแรงส่งของกรรมในข้อนี้ได้ทรงแสดงไว้เป็นใจความว่าในกรณีของสัตว์ที่บังเกิดในคันนั้น มารดาบิดาร่วมกันมารดามีรดูคันทัพโพปฏิสนธิในคันการบังเกิดก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตในปัจจุบันของบุคคลแต่ละคนจะมีการเกิดในอนาคตอีกหรือไม่นั้นท่านจึงกำหนดด้วยสิ่งสามประการคือประการแรกได้เกกกเลสซึ่งหมายรวมทั้งกุศลและอกุศล ไว้ด้วยกันประการที่สองนั้นหมายถึงบาปบุญที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ซึ่งเมื่อกล่าวสรุปรวมเรียกว่ากรรมและกรรมในความหมายนี้แม้จะละเอียดประณีตอย่างไรก็ตามถ้ายังเป็นไปเพื่อวัตตะคือหมายความว่ายังไม่เข้าสู่ขั้นโลกุตตะแล้วการถือกำเนิดในภพชาติต่างๆก็จะคงบังเกิดขึ้น ตัวกิเลสกับกรรมนี้เมื่อประกอบกันเข้าแล้วก็จะสร้างเป็นรูปของปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมานำปฏิสนธิวิญญาณไปถือกำเนิดในกติในภพต่างๆ ต, ตามสมควรแก่กรรมของบุคคลนั้นๆการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องเหล่านี้ได้ทรงแสดงไว้เป็นอุปมาว่าเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่บุคคลหวานลงไปในเนื้อนานั้นจะงอกหรือไม่งอกก็ ข, ขึ้นอยู่กับปัจจัย3ประการประการแรกพืช น, นั้นจะต้องมียางเหนียวอยู่ประการที่สองจะต้องมีหนอ่อและประการที่สจะต้องได้เนื้อนาที่เหมาะสมแก่การงอกถ้าปัจจัยทั้ง3ประการนี้ยังมีอยู่สมบูรณ์มเมล็ดพืช น, นั้นก็จะงอกขึ้นได้อีกเช่นใดการอุบัติบังเกิดในคติพบต่างๆ ในอนาคตหรือที่เรียกว่าสัมปรายจะพบก็จะมีลักษณะอย่างนั้นทรงแสดงไว้ว่ากัมมังเขตังกามนั้นเปรียบเหมือนเนื้อหนาตันหาสินเนหังกิเลตันหาทั้งหลายนั้นเปรียบเสมือนอยางเหนียวที่อยู่ในพืชวิญญาณนางบีชังวิญญาณนั้นเปรียบเหมือนกะหน่อของพืชเมื่อทั้งสประการ น, นี้ยังมีอยู่การอุบัติบังเกิดในภพชาติต่างๆก็ยังมีอยู่ และบางคราวก็ทรงแสดงไว้ในรูปของพระพุทธภาสิตเป็นเชิงจำแนกให้เห็นถึงการอุบัติการบังเกิดหรือไม่บังเกิดหรือการมีหรือไม่มีชีวิตในอนาคตเป็นใจความว่าสัตว์ที่ทำบา ป, ปรกรรมเอาไว้ย่อมบังเกิดในสุคติสัตว์บางจาพวกย่อมบังเกิดในขันคนที่ทำความดีเอาไว้ย่อมบังเกิดในสุคติท่านผู้หมดสิ้นอาสวะ ย่อมประนิพานดังนี้ใจความแห่งพระพุทธภาสิทธินี้เป็นการบ่งชี้ถึงความมีอยู่และไม่มีอยู่ของกิเลสกับกรรมเป็นตัวการสำคัญการที่สัตว์ต้องบังเกิดในคันต้องบังเกิดในนรกต้องบังเกิดในสุคตินั้นเพราะความมีอยู่ของกรรมและกิเลสแห่งสัตว์เหล่านั้นทําให้กรรมและกิเลสได้สร้างปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณขึ้นการอุบัติบังเกิดก็บังเกิดขึ้น แต่ท่านผู้หมดสิ้นอาสะวะนั้นชื่อว่าได้หมดสิ้นทั้งกิเลสและกรรมไปแล้วการอุบัติบังเกิดจึงมีไม่ได้เช่นเดียวกับพืชซึ่งไม่มียางเหนียวและไม่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมจ่อมไม่อาจที่จะงอกได้เช่นเดียวกันฉะนั้นความสงสัยในเรื่องนี้อาจจะไปดูในส่วนอื่นๆที่ทรงแสดงเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการแสดงถึงอานิสงส์ของการกระทำความดีในระดับต่างๆที่เป็นขั้นของโลกิยะข้อสุดท้ายนั้นจะจบลงด้วยคำว่ากายสเพดาปรมารนาสุกติงสกังโลกังอุปปัชชติซึ่งแปลเป็นใจความว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ ถ้าในกรณีที่เป็นความดีสูงขึ้นไปกว่านั้นคือหมายความว่าคนปฏิบัติสมถกรรมาฐานจนได้บรรลุฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแล้วถ้าหากว่าฌานไม่เสื่อมท่านเหล่านั้นจะมีกติแน่นอนคือจะต้องบังเกิดในพรหมโลกและส่วนที่เป็นโทษของการกระทาทุจริตในลักษณะต่างๆก็ทรงแสดงไว้โดยทํานองเดียวกัน โทษนั้นจะจำแนกไว้มากมายแต่ว่าจบลงด้วยข้อสุดท้ายว่ากายัสะเพดาปรมรณาดุขติวินิบาตังนิระยังอุปปัจจิติซึ่งแปลเป็นใจความว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมบังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายเป็นต้นเ <c oughs> มื่อบุคคลอาศัยนัยะแห่งพระพุทธภาสิทธิอย่างที่กล่าวมาแล้วด้วยการใช้โยนิโสมนสิการคือ ปัญญาเป็นเครื่องปินิดพิจารณาข้าประกอบด้วยความลังเลสงสัยในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตทั้งอดีตและอนาคตก็จะค่อยบรรเทาบาบางลงไปจิตใจของบุคคลที่กระจัดความลังเลสงสัยในเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้จะเป็นจิตใจที่กรอบด้วยศรัทธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรรมศัทธาคือความเชื่อแข่งกรรมวิปากศัทธาความเชื่อมั่นในวิบากกรรมกรรมศกตาสัทธาเชื่อมั่นในการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนและ ต, าะตะถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อการศัสรูของพระพุทธเจ้าปัญหาใดที่บุคคลไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็จับหลัก ต, ากะตะถาคตโพธิศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไร เพราะว่าธรรมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสัจรู้และทรงแสดงไว้เราไม่ได้สัสรู้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าการยึดถือหลักที่พระองค์ทรงแ ส, สดงไว้จึงเป็นความปลอดภัยและเป็นไปเพื่อความสวัสดีแก่บุคคลนั้นๆความสงสัยในประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมะที่ละเอียดประณีตมาก ว่ากันตามความเป็นจริงความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ก็เฉพาะแก่พระอรหันท่านั้นแม้แต่พระริยบุคคลระดับตั้งแต่ประสูดาบันขึ้นไปก็ยังไม่สามารถที่จะทะลปุปโปร่งได้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพราะตัวการสำคัญของปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่อวิชชาและอวิชชาพระอรหันท่านั้นจะเป็นผู้ทีละได้ แต่ว่าในขั้นของโยนิสโสมนัสิการคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลนั้นบุคคลก็อาจจะจับหลักของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติโดยมองเห็นสิ่งทั้งหลายที่มีความเกี่ยวโยงกันหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นใช้คำว่าอิทัปปัจจยตา คือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเกี่ยวโยงอาศัยซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นว่าเพราะมีปู่ทวดจึงมีปู่เพราะมีปู่ป Ł, ปจึงมีพ่อเพราะมีพ่อจึงมีเราแต่ว่าเพราะมีเราจึงมีลูกเป็นต้นแล้วก็ย้อนต้นขึ้นกลับไปอีกทีนึง ปู่ทวดการที่ท่านได้เป็นปู่ทวดได้ก็เพราะมีเราถ้าไม่มีเราท่านก็เป็นปู่ทวดไม่ได้ไอปู่ที่จะเป็นปู่ได้ก็เพราะมีเราถ้าไม่มีเราก็เป็นปู่ไม่ได้พ่อก็ทานองเดียวกันและในขณะเดียวกันนั้นถ้าช่วงใดช่วงหนึ่งมันขาดไปสายของตระกูลนี้ก็จะขาดลงข้อนี้เพึงเห็นตัวอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าตามพระประวัตินั้นแสดงว่า ปูพระอัยกาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าสีหหโนุมีพระเจ้าสุโธธนะก็มีพระเจ้าสุโธธนะมีเจ้าชายจิตถะก็มีเจ้าชายจิตถะมีพระราหุลมีแต่พอผาถึงช่วงของพระราหุล น, นั้นพระราหุลท่านออกบวชเสม็จอรหันเป็นพระอรหันไปดังนั้นสากยวงสายของพระพุทธเจ้าจึงขาดไม่มีการสืบต่ออีกต่อไปไม่ว่าในการ ใ, ใดๆก็ตาม ชีวิตในสังสารวัฏที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าหากว่าเหตุปัจจัยยังมีอยู่เมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วสายของปฏิจจสมุปบาทนั้นเมื่อนับเป็นองค์ธรรมทั้งก็แสดงว่า เพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารพระสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเพราะมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายก็มีปัจจัคือการกระทบเมื่อมีการกระทบเช่นตาเห็นรูปเป็นต้นก็เกิดเวทนาคือรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ตามสมควรแก่กรณีนั้ น, น, นเมื่อเวทนาถ้าหากว่าดี ก็เกิดอยากเวทนาเหล่านั้นก็กลายเป็นตันหาความทยานอยากพอตันหาเกิดขึ้นก็มีความมีอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีอุปาทานก็มีพบคือความมีความเป็นและตลอดถึงการอุบัติปังเกิดในภพชาติต่างๆเมื่อมีพบก็มีชาติคือมีความเกิดพอมีความเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายติดตามมาซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ ที่ทรงแสดงไว้ทรงแสดงทั้งในขั้นที่เป็นกฎเกณฑ์ทางสังสารวัตรคือในกลุ่มของปฏิจจสมุปบาทนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของกิเลสกลุ่มที่สองนั้นเรียกว่าเป็นกลุ่มตัวกลา ง, ลางเป็นกลุ่มของออรูปของ ของนามของเวทนาของปัสสะคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรแล้วกลุ่มที่สก็เป็นกลุ่มของกรรมในชีวิตของคนถ้ามีกิเลสก็ต้องทํากรรมเมื่อทํากรรมไปก็ต้องรับวิบากเมื่อรับวิบากแล้วกิเลสเกิดขึ้นก็ทํากรรมทํากรรมก็ต้องรับวิบากเลยก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นวัดตะแต่เมื่อทรงกระจายออกไปแล้วกระจายออกไปถึง12ข้อด้วยการอย่างที่ได้กราบมาแล้ว กฎเกณฑ์เหล่านี้ขอเพียงแต่บุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยหลักดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งอุปมาแล้วก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มของกิเลสนั้นก็เปรียบเหมือนอยางเหนียวที่อยู่ในมเมล็ดพืชกลุ่มของกรรมนั้นก็เปรียบเหมือนกับเนื้อนานที่บุคคลจะหว่านมเมล็ดพืชลงไปแล้วกลุ่มของวิบากนั้นก็เหมือนกับหน่อของมเมล็ดพืช เมื่อองค์ประกอบทั้งสามนี้มีอยู่การอุบัติบังเกิดขึ้นก็จะมีโดยนัยยะที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าตัวอย่างในขั้นของปฏิจจสมุปบาทนั้นแม้ในปัจจุบันบุคคลก็อาจจะพิจารณาเทียบเคียงตรวจสอบดูจนสามารถถ่ายถอนความลังเลสงสัยในเรื่องนี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป